รวมแล้วกสมก็นำลึกถึงพระพุทประผสม A เป็นภาษาก็รเป็น นายก็ดีนะ์ก็มีธุระอะไรกันมากชีวิตเราประจำวันก็เมันก็เราคนเราธรรมดาธรรมดาก็ก็เดิมตัวเบ้านนะหลงตัวเบ้าน จโดยฟังทำกังก็ดีโดยปฏิบัติทำงานเจริญสติก็ดีด้วยการรักษาศีล ดี มีความสมัครใจอยู่ที่จิตใจแล้วก็ไม่มีความสมัคกีจกับเพื่อนงับครอบครัวไปเรื่อ สารพัดมันทำลายกายด้วยทำลายใจด้วย ระลึกถึงการสอนของประพุทถเจ้ เอาสายปลายแล้วนมสกัดโป๊ก จิตเราก็เป็นสะอาดแล้วสว่างขึ้นแล้วแล้วก็กลมเป็นปกติเป็นธรรมชาติธรรมะมาวางก็คือธรรมชาติธรรมะ เลือได้ธรรมชาติธรรมดาเป็นพืชพันธเป็นดอกไม้มกได้เลือก คนเราก็มันดีือกต่ยชีวิตคนเราถ้าร้องเ้า ฤิ์กงเราก็เยอะได้ก็มีงีบเต็มเต็ม ไมดกมก็ไม่ได้คิดไม่ได้จิตมันปุ่นเต็มถ้าทุกกายก็ทุกกายไปแต่ไม่มีทุกใจแต่ว่าคนเราก็มันมีความคิดมันจิต ม, มันก็ปุ่น top mm -hmm. ได้เลือกสิ่งที่เป็นทาให้ ชุ่าธรรมดาธรรมดาก็มันก็ธาตุขงมันธาตุของอารมณ์ธาตุขง Thank mm -hmm. you. รถใช่ ติดรู้ตัวได้แล้วก็เราก็เข้าใจ ธรรมสุขกบเวทนาที่น้ํทุกใีกายที่ใจก็รู้อยู่ไม่ได้เป็นท่าของมันเห็นอยู่เมื่อเป็นอาการเฉยๆ สามาตะไแต่ว่าคนที่ไม่รู้จกักไม่มีความรู้สึกตัวไม่มีสติก็มันก็เป็นถาดมันถุกกะเวทนาทางกายกุศขึ้นก็ก็จิตมันก็พลุ่นเต้นก็แยบมันทีข้อมีความมิด เกียร yeah. ไปื่ยแต่วคนที่มีสติก็ เกิดตังหาจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่ามันเป็นลายเราก็รู้ตอนนั้นแหละสติก็ทันตอนตังหาเมื่อออกวันนี้มันเป็นตังหาเกิดขึ้น เป็นหมืองกับว่าเป็นโดมที่สไตล์รถไฟก็ได้ กาที่ ที่บ้านไปหรว่าลูกกเราก็ชอบดี ปฏิบัติก็ได้ผมม่ีส่วก็คือให้ถูกใจ สว่างเป็นที่ทำงานเป็นสว่างในที่จิตวิสว่างขึ้นได้อันนครับเราจะไม่หนี้อ่าก็พวกเราก็มาทำหน้าที่